أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسل مبارك و على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل لا م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ร ب نا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله วันนี้วันสุดท้ายของสุราอัลกิยามะอินชาอัลลอฮ์เหลือไม่กี่ยักยแล้วครับอินชาอัลล์าจะจบในคนี้ราอัลกิยามะเป็นรา ที่ใช้เตือนสติมนุษย์ให้รำลึกถึงอีกโลกหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องกลับอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่หรือบางทีบางครั้งเราเองก็เป็นเหมือนกันเราเองก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ หลงไหลในดุนียาไม่ยอมจากดุนยียะให้ความสำคัญกับชีวิตในโลกดุนียะมากเกินไปจนไปทั่งหลงไหลในดุนียาจนไะทั้งไม่มีความรู้สึกที่จะกลับไปยังอเคระต์แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราหายใจลึกๆตั้งสติดีๆเนี่ยเราจะมอง เห็นได้ทันทีเลยว่าดุนีย์นี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะผลการเลือกตั้งราฐาัฐธนตรีรลการล่าสุดก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าดุนีย์นี้ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเจอกับอะไระช่วงนี้รู้สึกว่าความไม่แน่นอนเยอะมากหลาเรื่องเหลือกเกิน เรื่องเศรษฐ ก, กิจก็ดีเรืการเมืองเรื่องโอ้เยอะแยะไปหมดนี่แหละครับดุนยาแต่ถึงดุยาจะไม่แน่นอนขนาดไหนเราก็ยังยังไม่ไม่สามารถที่จะให้อาเรัฐมากกอนดุนยาได้เป็นเพราะอะไรสุบฮานลัลลอฮถ้าไม่มีอาเรัตเนี่ยเออเรา เราจะปลอดภัยได้ยังไงเราจะสบายใจได้ยังไทงทั้งๆที่เรารู้ว่าดุยาเนี่ยไม่มีทางที่เราจะสบายใจได้ร้อยเปอร์เซนมีแต่อาเครัตเท่านั้นที่เราจะสบายใจได้ร0อยเอร์ซเวลาที่เรากลับไปอยู่อาเครัตแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลละไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดถึงเรื่องออดอลลาร์จะขึ้นดอลลาร์จะลงไม่ต้องคิดอะไรแล้วมาถึงวันอาเครัตอะ นะไม่มีแล้วปัญหาพวกนี้ไม่ต้องร้องไห้ต้องเศร้าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นแต่เราก็ยังยึดติดกับดุนยาจนกระทั่งไม่อยากจะกลับไปอาครัตจะทำอย่างไรที่จะที่จะปรับหัวใจของเราให้อยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานก็อัลลอฮ์ในวันอาครัตมันอาฮบบะลิกวอัลลอฮ์อฮบบะลิควอาหรือก็มา قال รือสุบจะเป็นฮะดิษ น, น, นะครับที่บอกว่าใครที่ปรารถนาจะเจอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ปรารถนาที่จะเจอกับเขาสุข่างอัลลอฮ์ผ่านกลางความไม่แน่นอนของดุนลกเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราจะตายเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพไหนเราจะกลับหาอัลลอฮ์ไปในสภาพไหนครับ เราคิดว่าเราจะกลับไปหาเราในสภาพไหนอันนี้ทันหาคือสิ่งที่เราน่าจะได้รับบทเรียนจากโซร์แบบนี้โซ ร, ร์ตุลกิ亚马เตือนเราให้เรามีสตินะครับว่าความจรังยั่งยืนคุณไม่มีทางที่จะหาเจอในโลกนี้มีอยู่ทางเดียวที่คุณจะหาความจรังยั่งยืนได้ก็คือในโลกอาครัตน์เท่านั้น มีดวอาด้วยนะครับดูอาเนี่เยอะมากเลยสอนดวอาไปหลายดวอาแล้วไม่รู้ใครเอาไปอ่านบ้าง <c oughs> มีอีกดูอาหนึ่งดูอานี่ก็ดีเหมือนกันดูอาให้เราตายในสภาพที่ไม่โดนฟิตนะไม่โดนบททดสอบวันก่อนสอนดูอาอยัางไงวันก่อนสอนดูอาว่าเออถ้าชีวิตในโลกโดุนยานี่มันไม่มีประโยชน์ก็คือให้เราให้เราตายไปซะในอัลลอฮฺจะเอาชีวิตเรากลับไปซะ แต่อันเนี้ยดวอาอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติอัลลอฮาจะลงโทษชาวดุนยาชาวโลกอัลลอฮฺจะทดสอบผู้คนในโลกนี้ด้วยฟิตรนะที่มันหนักหน่วงเนี่ยขอให้เรากลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ไม่ต้องไม่ต้องมีบททดสอบด้วยเถอดเกี่ยวกับความตายเหมือนกันขอให้ตายในสภาพที่ไม่มีฟิตรนะเป็นดวงอาที่ท่านนาบีบอกว่าให้อ่านเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเราละหมาด เวลาอิละซาเลต์หมายถึงว่าเวลาที่เราละมาอาจจะอ่านในสุญูดอาจจะอ่านก่อนที่เราจะให้สลามรือบางที่อาจจะอ่านหลังละหมาดก็ได้โดยอ่านี้เกี่ยวข้องกับการละหมาดเป็นอ่านที่ดีมากนะครับอัลลอฮฺอุมะอินนีอัสลุคเฝื่ลยรั ل م ك ر ا ت و ح ل م ا لي و وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل وحب عمل يقربني إلى حبك ใน دعاء ยาวคอประมาณ يا الله ฉันขอจากพระองค์ให้พระองค์ประทานอะไรเฝ้าละคอยรอดให้ฉันเป็นคนที่ทาความดีอัลลอฮฺอัล นะทําความดีก็ต้องขอจาก Allah วะจัรกลมุงการัดให้ฉันเป็นคนที่ละทิ้งความชั่วทําความดีละทิ้งความชั่วขอขอให้อัลลอฮ์สนับสนุนเราในเรื่องนี้วะฮุบบัลมาเซกีนขอให้ฉันเป็นคนที่รักคนยากคนจนแปลกเหมือนกันตัวอันนี้สอนเราแบบนี้ให้ให้เราเป็นคนที่ เห็นคนจนแล้วรู้สึกมีความเมตตาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขาว่อันเจ้ฟิรลีวัาจะทำนี้ขอให้พระองค์นั้นทรงอภัยให้กับเราทรงเมตตาเราว่าอิดะอรัตจะไปก้ามฟิชนั่นันอ่าเนี่ยตรงเนี้ยชาฮิตของมันหรือว่าจุดที่ผมจะบอกก็คือว่าแล้วยามใดก็ตาม ท, ที่พระองค์ต้องการจะทดสอบคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อ๋พลเมืองใดพลเมืองหนึ่งถ้า a l า a h จะทดสอบมนุษย์สักกลุ่มหนึ่งปาตาวัฟฟานีอีไลขอให้พระองค์นั้นเอาชีวิตฉันไปไรรมัสตูนให้ฉันตายในสภาพที่ไม่โดนฟิตนะให้ฉันตายให้ฉันเสียชีวิตในสภาพที่ฉันรอดจากฟิตนะของพระองค์นี่เป็นการขอน้อะอัลลอฮฺไม่เอ็นดีอัสอัลกุฮบักยาอัลลอฮ์ฉันขอความรัก พระองค์ว่าหุบะมันยุหิบุขอให้ฉันรักคนที่รักพระองค์ว่าหุบบะ عمل ินขอให้ฉันรัก ع م ลที่ทำให้ฉันนั้นได้ใกล้ชิดพระองค์อันนี้คือความหมายของดูอาบทนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวใครอยากจะได้ก็ค่อยมาติดต่อรั้งไหมก็แล้วกันนะครับดวอาแบบนี้เป็นดูอาที่สำคัญนะครับอาจจะขอสักครั้งหนึ่ง นานๆครั้งหรื อ, อะไรก็แล้วแต่เพราะว่านอกจากเราจะได้รับผลของมันแล้วเนี่ยจากการขอดุอาศแบบนี้แล้วดุอาบางทีมันก็สอนแนวการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันได้เวลาที่เราขอดุอาแบบนี้แสดงว่าการประพฤติของเราก็ต้องเป็นไปตามการขอดุอาของเราด้วยมันสอนเรามันย้ำเตือนเราได้อยู่ตลอดเวลามาดูกันนะครับบทสุดท้ายในชอ็อตหล อายักที <laughs> ่สามสิบเอ็ดครับ أستغفر الله جميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا ص แَะَ็ไََ่ด้สََ่สอَแต ت َลَบลَเลยَต่ก ل َบละเลยแต่กลับละเลยแต่กลับละเลยแตَ่ลَบَะเลยแ เเค่เเฟอุล ف าทَุ่ ا เเค่เเฟอุล س าใครอพยพอิน ألم يكون a ف a من مين يمنا ثم كان علقا فخلق فسوى <س ؤ ال> ف ้าจั่งอาล์ม ه น الزوج ีน الذكر والأنثى <س ؤ> Aliheseذلكب <س ؤ ال> <ال> قادرعلى يجي ا م و ت ا ل ح م د لله รอบที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงสภาพของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตคนที่โดยเฉพาะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเวลาที่จะเสียชีวิตหรือพวกเราทุกคนนะมนุษย์ทุกคนเวลาที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็จะเจอเจอกับสภาพที่หนักหน่นวงสำหรับเขา กันแล้วอยู่ดีแต่เราก็ที่ อ, อัตราคีเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนที่มาพูดว่าเอาใครใครจะอ่านพระอานให้หน่อยใครจะเป่าให้หน่อยใครจะมาช่วยหน่อยเนี่ยวากีแลมันรอดกกตรงนี้เนี่ยวากีแลมันรอกเนี่ยคําถามที่ว่าใครจะมาช่วย นะดูอาการคนกำลังจะตายเนี่ยใครจะช่วยหน่อยสิอ่านอะไรสักหน่อยให้ให้อาการที่มันหนักเนี่ยมันทุเลาลงหน่อยว่าที่แล้วมันรอบคำถามตรงนี้เนี่ยนักตักซีดได้อธิบายว่ามีออกสองสามสองสามการตักซีดนะบางคนก็บอกว่าเป็นคำถามจริงคำถามจริงหมายความว่าก็มีการพูดขึ้นอย่างนั้นจริงๆในระหว่างคนที่มานั่งเฝ้าคนที่กำลังจะตาย บางคนก็บอกว่าเป็นคำถามเชิงอิสติบะอาดหมายความว่าถามออกมาในลักษณะที่หมดหวังไล้วว่าไม่ไหวแล้วรักษาไม่หายแล้วนี่หมดหมดหมดอายุไขแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดอีกต่อไปแล้วบางกบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่ามันรอกินเนี่ยเป็นคำพูดของมละอะไรกั มลาอิกัตราีตรงนี้มาจากคาว่ารักเอหมายถึงว่าใครจะเป็นคนดึงวิญญาณออกว่าีละมันรักมลาอิกัดถามพูดกันเองระหว่างพวกเขาว่าตกลงใครจะดึงวิญญาณระหว่างมาลาอิกัที่เป็นมลาอิกัดทุลรัฐมะหรือมาลาอิกอัลาบมาลาอิกัที่ดึงวิญญาณที่เป็นมาลาอิกัดรัมะหรือมาลาอิกัอา มาถกเถียงกันรับคําสั่งว่าใครกันแน่ที่จะดึงวิญญาณออกแน่นอนว่าชีวิตของผู้ศรัทธาก็จะได้รับการปลดวิญญาณโดยมาลาอิกาตุลรับมาในขณะที่ชีวิตของผู้ปฏิเสธของคนกาเฟิก็จะโดนมาลาอิกาตุลอาดับดึงวิญญาณออกไปนะอุบิลละฮฺว่าฟันอะันนฮุลเซีรัเจ้าตัวเองนะคนที่มาดู ก็เห็นสภาพแล้วว่าเขากําลังจะตายเจ้าตัวเองก็เหมือนกันเจ้าตัวเองก็ก็คือเห็นและมั่นใจแน่นอนแล้วว่าตัวเองจะต้องจากดุนยาอนี้ไปนะครับวฟบแล้วก็หน้าแข่งหน้าแข่งกับหน้าแข่งติดกันอันนี้ก็มีวันก่อนเราบอกว่าอย่างไงดุนยากับอาครัตมาเจอกันความ ความอะไรความยากลำบากของการที่จะจากดุนี้ไปเจอกับความยากลำบากของการที่จะไปพบกับวันอาเรัตในในช่วงแรกในเบื้องต้นหน้าด่านแรกของอาเรัฐนะครับอันนี้เป็นตัฟซีดหนึ่งในขณะที่อีกหลายๆตัฟซีดมีคำพูดของบรรดานักตัอซีร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าอิลเตฟติซักบิซักก็คือสภาพจริงเวลาที่คนตายเนี่ยขามันจะติดกันนไะครับขาจะติดกัน หรือบางคนก็บอกว่าเวลาที่ห่อศพอะเวลาที่ห่อศพก็ต้องห่อให้มันให้มันติดกันด้วยเพราะฉะนั้นทั้งในเชิงรูปธรรม ท, ทั้งในเชิงนางมธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายได้หมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือภาพของกียามทที่จะเกิดขึ้นกับกับกับใครกับทุกคนกียามแมทนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนความตาย มีใครที่หนีความตายได้บ้างมนุษย์ไม่สามารถที่จะหนีความตายได้ความตายก็คือด่านแรกของอัลกิยามะละฮาวล า, ว า, ลาวอลาัลลาห์โถะอัลลาห์เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธวันอัคราคนที่ปฏิเสธวันเกียร์มัตเนี่ยเขาปฏิเสธความตายได้ไหมคุณปฏิเสธวันเกียร์มัตแต่คุณปฏิเสธความตายไม่ได้ ระวังให้ดีเวลาที่คุณตายแล้วคุณจะไปเจอกับอะไร น, นี่แหละเป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนให้มนุษย์คิดสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าอยากจะปฏิเสธวันเกียรมัดเนี่ยต้นอายัดมาเนี่ยปฏิเสธวันเกียรมัดมาแล้วข้อตอนท้ายๆละไแต่เ า, าบอกว่าปฏิเสธไปสิวันเกียรมัดแต่ความตายอ่ะคุณปฏิเสธได้หรือเปลา่า แน่นอาปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดสักหน่อยถ้าคิดจะปฏิเสธวันเกียตรติ์เนี่ยต้องปฏิเสธความตายด้วยถ้าปฏิเสธความตายได้ก็เอาไปสิคุณก็ปฏิเสธกียตรติ์ของคุณไปหลังจากนั้นอลัอลลอฮฺตะลาฟบอกว่า ف ซ ا صدقة ولا صلاة อัลลอฮฺต ะ, ะลาฟ อ, อ, อธิบายนะครับ ในจํานวนสาเหตุที่ทําให้บรรดาพวกอัลมุคัตซีบีนผู้ที่ปฏิเสธศัธรรมข้อนี้ต้องรับโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานออฺตาลาเนี่ยสาเหตุที่ทําให้คนต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์คนที่ต้องได้รับโทษจากอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธศัตรูต้องได้รับโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างในจํานวนเหล่านั้นก็คือซาลาสัดดะกะ ว่ลา ล, ละสละฟาตัวเดียวตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอักขระที่ใช้ในภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยตัวอักษรตัวเดียวก็มีความหมายฟาตัวนี้เนี่ยนักอธิบายอธิบายว่าฤทธิ์จะ ฟ, ฟรีใช้ในการแตกประเด็นฟละแล้วเขาก็ไม่ศรัทธาแล้วัตตะอซัะก็คือการเชื่อแลวซัตตะกก็คือไม่เชื่อ ว่าาซ่อนแหละไม่เชื่อแล้วก็ไม่ละหมาดแต่ประเด็นมาจากไหนแต่ประเด็นมาจากอายาตูนที่เราเคยเรียนตอนตอน้ตนๆที่อัลาลอฮฺตรัสว่าอายะ س ب الإنسان ألا نجم عظام ะมนุษย์คิดใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ถูกรวบรวมกระดูกอีกครั้งหนึ่งไม่คิดอย่างนั้นก็เลยไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ละหมาดแต่ประเด็นออกมาจากอะไร ออกมาจากความคิดต้นเรื่องที่บอกว่าฉันไม่ศรัทธาตะวันกิยามะก็เลยไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อท่านนาบีมุฮัมมัดไม่เชื่ออัลกุรอานไม่ละหมาดไม่ทําดีไม่ดูแลเด็กกาพร้าไม่ดูแลคนยากจนเป็นประเด็นที่แตกย่อยมาจากอะไรมาจากความคิดเริ่มต้นที่ปฏิเสธวันกิยามะด ل ก صدقة ولا صلا ว่ล็กินคดับวะทวัลละตรงกันข้ามสิ่งที่พวกเขาทาคืออะไรคดับตรงกันข้ามกับคาว่าซดดะซดด์เคริบซดดะคดับคดับก็คือกล่าวหาว่าท่านนบีพูดโกหกกล่าวหาว่าอัลกุรอานนำมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกคดับไม่ใช่ความจริงปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริงวะวัลลวะวัลลก็คือ อัลราะฎะผิดหลังไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับอราะฎะ عن سبيل الرشاد อัลราะฎ عن الحق หลังนี้คือการชั่ชวนะครท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัม فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى อันนี้คือสภาพก่อนที่เขาจะตายตอนตายอลัลลอฮฺก็อธิบายสภาพไปแล้วก่อนที่จะตายนี่มีสภาพยังไงคนพวกนี้นะคนนี้ไม่ปฏิสเสธไอคนที่ปฏิเสอธอัคระไม่ละหมาดไม่ทำดีแล้วก็โอ้อวดยิ่งพยองซุมมาาดฮเบ้าไปใอัลฮยตมัตตานี่มันก็ว่าตอนที่ไปฟังท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮอัลลอฮัไม่ศรัทธา ไม่รับฟังท่านนาบีแล้วกลับบ้านซะฮะบอยละอัลฮิหมายถึงว่ากลับไปหาครอบครัวกลับเข้าบ้านไปเนี่ยยาธรรมต่อเดินแบบไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเลยเหมือนกับสิ่งที่ท่านนาบีพูดอัลกุรอานเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้เข้าหูตัวเองเลยไลซฟีเบลีฮีชัไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่สะทกสะอักนำซ้ำยังเดินแบบมุธะบะกิยัง เดินแบบโ อ, โอ้อวดยิ่งพยองในในอาการของตัวเองในความนึกคิดของตัวเองที่ได้ปฏิเสธท่านนาบีได้ปฏิเสธอัลกุรอานละฮาวละลาโควะตะอลิลลาินลาไปน้องครับลองนึกถึงสภาพของคนแบบนี้ดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในโลกดูเนียคนที่ไม่มีเกียรมาก นาซ้ํำปฏิเสธสัจธรรมที่อัลกุรอานได้พูดถึงเราอธิบายยังไงท่านนบีอธิบายยังไงอัลกุรอานอธิบายยังไงก็ไม่เข้าหูไม่อะไรทั้งสิ้นเลยดื้อด้านอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์จะเอาอยัางไงกับคนพวกนี้ถ้าเป็นเราเราจะเอาอยัางไงกับคนพวกนี้เวลาที่คนพวกนี้โดนอาสาบโดนการลงโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยเราเราจะรู้สึกยังไง โอ้ยน่าสงสารเอ้ยยังไงฮะเราจะบอกพวกเขาอย่างไงเวลาที K ่พวกเขาโดนลงโทษเราจะเตือนเขายังไงอลรอวะทํำยังไงดีะเตือนตัวเองด้วยเตือนเขาด้วยนี่จะเตือนยังไงอราควรอ่านเตือนอย่างนี้อราคุรอ่านเตือนว่าเอาละละกเฟ้าเอาละซุ่ม มาอุล um ่าตุมมาอุล nah, nah, ่าและคฟาอุลาสองอายันี้ไม่มีที่อื่นมีในสุราเนี่ยนะอันนี้เนี่ยอัลกุรตุบีนะครับนักทศกิจขันน์บอกว่านี่เป็นการเตือนสำคับอาลาละ สมแล้วกะกะเจ้าที่ต้องถูกลงโทษสมแล้วสมแล้วสองครั้งยังไม่พอสมแล้วเอาละและกะฟาเอ้าละสมแล้วสมแล้วกับมันสี่ครั้งเป็นการย้ำว่า ไอพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยสักวันหนึ่งถ้าคนคนนั้นจะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุบัยนอต่าอัลลาเนี่ยมันก็เหมาะแล้วทั้งความเชื่อความคิดที่ชั่วร้ายทั้งพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตอยู่วันวันเนี่ยสำหรับคนแบบนี้เนี่ยเอาละละฝาเอาละสมมาเอาลาละคะาเอาละ เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ไม่ยอมศรัทธาตะวันแกมัดอย่างมุชริกีนมักกะบางตัฟซีดนะครับบอกว่ามีมีเรียวายด้วยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านนบีสุลต่าลอกว่อะเลฮ์วะซัลลัมกับอบูจฮัลแตไม่รู้ว่ารายงานนี้มีน้ําหนักทัศนะหรือว่าน้ําหนักของมันเนี่ยหนักหนักสักแค่ไหนนะครับว่าอยู่ในระดับแต่ระดับซอแคหรือฮัสซันไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้แต่บอกว่า ในอินมาคซิดหรือเปล่านะครับที่บอกว่าท่านนาบีเจอกับอบูชะฮัลเดี๋ยวผมดูนิดหนึง่งท่านนาบีออท่านนาบีเจอกับอบูชะฮัลแล้วก็พูดคําว่าเอา ล, าละแล้วก็ฟาเอาละพูดคํานี้ออกมานะ อ่านิัวรุรับสุลละะหลั่งซัลลัลละฮ์อัสลัมขรรจ์จากในมัสยิดในวันหนึ่งฟั ل ตักบัลฮ ه อับูเจฮ์ล ر อั ن ลาบับิมัสยิด ف ้าขึ้นรับสุลละะหลั่งซัลลัลละฮ์อัสลัมบ อัน زل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ค่าม่ากล่าลีอบดจาฮลนะทุกรบว่ไงที่ ت ف س ر อัลกุรตุบีนะครับตอนนบีครั้งหนึ่งออกจากมัสยิดแล้วไปเจอกับดุลจาฮ์แล้วก็ไปไปเหมือนกับว่าดึงมือแล้วก็เขย่าเอาละล้ก็ฟะเอาละอบดุลจาเลยบอกว่าเจ้าขู่ฉันเหรอมฮัมมัดะเจ้าขู่ฉันอย่างนี้เลยวฉันเนี่ยในมักกะเนี่ยไม่มีใครที่ อะไรก็เดี๋ยวสูงสักกว่าฉันอีกแล้วจะจะมาครูฉันอย่างนี้อ ะ, อะสุดท้ายอัลล์สุบไบุต่าก็ประทาน al uran, อัลกุรอานอายัดนี้ลงมาเหมือนกับท่านนาบีพูดกับกับอบูุจหฮันจริงๆนะครับสุบฮานอัลลอฮทุกวิถีทางครับโดยเฉพาะเราบอกแล้วว่ากับคนกาเิร์ตอนแรกๆ ท, ท่านนาบีดา้าอเนี่ย อุสรูในการด่าวของท่านบีกับบรรดามุชริกีเนี่ยจะมาในในรูปของการเตะนะครับสส่วนใหญ่ของการอินดารในสุรทูลมดศิรที่เราเรียนไปนะครับยะอายุลมดศิรกุมซันดิลให้อินดารมากกว่าการตักชีดให้อินดารให้พูดถึงนรกให้พูดถึงวันกียรติมากกว่าเพราะว่าคนพวกนี้มันดื้อด้านนะครับคนที่ดื้อด้านเนี่ยเราต้องพูดให้กลัว พูดให้เห็นความน่ากลัวของวันอาขรัตน์นะครับในสุรธรรมุดัสสิทลักษณะมันจะคล้ายๆกันนับการการอธิบายในสุรอัลมุดดัสสิทที่เพิ่งผ่านมากับสุรทูลกิยามัตมีความเกี่ยวข้องกันอธิบายสภาพของคนที่จะเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วในวันกิยามัตเจอกับอะไรสาเหตุอะไรในสุรธรรมุดัสสิทธิ์ได้หรือเปล่าที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่ า, วาอัลูลัมนะคุมินะโมซอลลีใช่ไหมครับคนที่อยู่ในนรกเนี่ยเวลาที่ชาวสวรรค์ไปถามว่า ทำไมถึงต้องอยู่ในนรกอย่างนี้เขาจะตอบว่าอย่างไงลัมนาคูมินาลมซอนลิงเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นผู้ที่รักษาการละหมาดในโลกโดนเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยการละหมาดเนี่ยเนี่ยโดยสุรศุลเกียร์มากก็พูดอีกครั้งหนึ่งดดว่าาซ่อนแล้วก็าเราซ่อนแหละมันใหญ่มากนะครับอันนี้แหละที่บรรดาบรรดาอุลามะอิสลามจึงเตือนประชาชนามุสลิมเรื่องการทิ้งละหมาดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ชาวมุสลิมที่ยังละทิ้งการละหมาดอยู่นี่เขาต้องรู้ว่าอัลลอฮาใช้ขู่การลงโทษของพระองค์กับการละหมาดใครที่ละทิ้งการละหมาดนี่อย่าว่าแต่มุสลิมเลยแม้แต่คนกาเฟรเองที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮก็ยังใช้ขู่เอาการละหมาดมากู่ถึงการลงโทษของพระองค์ในวันเกียรติด้วยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากละฮาวลักลอฺกูจัยลาบิลลาอัลลอฮฺละคัฟอัลละทุมมาเอาลลอละคัฟอัลละ อัย حسب الإنسان أن يترك سدا ไม่เข้าใจไหมอัย حسب เนี่ยในสุระนี้มีสองสามที่เลยนะครับอัย حسب الإنسان أن يترك سدا มนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้มีชีวิตอยู่สุดาคำสุดาพวกเราคิดว่ามันหมายถึงอะไรสุดา คือบางทีคำใน ล, ลักษณะของคำเนี่ยมันก็ อ, อธิบายความหมายได้ในในในใ น, ในระดับหนึ่งสุดาภาษาอรับเรียกว่าสุดาสุดาก็คือเฉยเฉยสุดามุหมลมุอตัลคือถูกไปมีชีวิตอยู่อย่างนี้เฉยๆ อ, ออกออกมาก็คือออกมาอะไรครเรียนะว่างเปล่า ออกมากินออกมานอนออกมาขับถ่ายออกมาสวมสู่และเป็นวงจรอย่างนี้อยู่แล้วก็ตายไปแล้วก็จบกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อันนี้แหละคือคำว่าสุดาพี่น้องลองคิดดูว่าแ l l ต้องการให้เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้จริงๆหรือคิดดูให้ดีระบบชีวิตของเรานี่มันเป็นอะไรที่มหาศจรดิ์์ว่า Allah จะทําทรงสร้างมนุษย์มาด้วยระบบชีวิตที่ไม่มีอะไรเหมือนเ a l l a ะอ้างเองหลังจากนี้ลองคิดดูเรามีความซับซ้อนถึงขนาดนี้เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่ซับซ้อนแต่เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่มีอะไรเลยมันแปลกอะวิธีการสร้างนี่ซับซ้อนแต่จุดหมายไม่มีอะไรเลย จะสร้างมาทำไมซับซ้อนขนาดนี้ถ้าต้องการให้มันไม่มีอะไรเลยทำไมไม่สร้างให้มันแบบง่ายๆแล้วก็จบๆอ่ะแต่นี่สร้างมาแบบซับซ้อนมากมหาศา์มากเราสร้างมาเพื่อให้มันจบๆสติปัญญารับไม่ได้เราแต่และถามเองอัลัมย์เคุนุตฟะต์มมันนยินยุมนะ ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นน้ำอสุจิหยดหนึ่งที่ถูกพ้นเข้าไปในรหิมใช่ไหมถ้าสมมติมนุษย์เกิดมาว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยอลัอลอลอล์ละอัลลอ์น่าจะใช้วิธีอื่นในการสร้างเราอะ่ะอาจจะตัดแต่งเหมือนตอนกิง่ง ตัดเนื้อออกมาแล้วก็กลายเป็นคนถ้าแบบง่ายๆอ่ะทำไมไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะแต่ต้องยากมากอะแล้วกว่าจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยน้ำอสุจิเป็นล้านล้าล้าล้าล้า น, า น, า น, า น, านต้องแข่งกันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เข้าไปในรังไข่ได้แล้วจากน้ำอสุจิตรงนั้นุมเกลน่าไอลาคอตันเป็นอะไรก่อนเป็นก้อนเนื้อที่ติดอยู่กับรหองช่องคลอดของเพศหญิงก่อน ฝ่าคลก็แล้วก็เร ام ام ิ่มสร้างนิดนึ่งฝ่าาแล้วก็ค่อยเจริญเติบเตค่อยเจริญเติบโตจนกระทั่งสมบูรณ์เนี่ยฟ้าจักรกลาห์มินฮุซเจแล้วก็สร้างออกมาให้เป็นคู่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีเพศผู้มีเพศเมียอันแรกครัลอ้นแต่ซับซ้อนไม่ชีวิตเรา มหัศจรรย์ไหมชีวิตเราแต่ละครั้งที่กําเนิดมาแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนแล้วอยู่ๆเราบอกว่าชีวิตที่มหัศจรรย์ของเรานี้เกิดมาเพื่อว่างเปล่าใช่เหมครับ <laughs> อันนี้คือหลักฐานเขาเรียกว่า al istidlalu al i'adat bil bidah เป็นหลักฐานที่บอกว่าอะไรจะต้องไม่ทํามา ไม่ทําเรามาไม่สร้างเรามาสุดาแน่นอนไม่มีไม่มีคําว่าสุดาไม่ถูกปล่อยโดยที่ไม่ได้ทำไม่ได้ห้ามบิลาอัมเรนวาลานะยันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถูกสร้างมามึงจะอยู่ยังไงก็อยู่ของมึงไปก็ตายไปไม่มีการตอบแทนไม่มีผลบุญไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นมันจะทําอะไรมันก็ทําไปจะฆ่าใครก็ฆ่าจะยึดทรัพย์อะรก็ยึดจะใช้ชีวิตแบบอะไรก็ใช้ไปเลยอยู่ในโลกนี้สบายๆไม่ต้องมีอะไรเลย เอาไปเลยจะใช้อยู่ยังไงก็ได้ตามใจมึงได้เหรอใช่เหรออันนี้คำถามนี่หนักมากคำถามมิสั้นแต่ว่าโอ้โหตายหนักเลยนะิันยนยุมนะอธิบายความมหัศ จ, จ์ของการสร้างเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่ มีค่ามากกว่า น, นั้นที่เราจะต้องดูว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาใช้ชีวิตยังไงและสุดท้ายจะต้องกลับไปยังไงถ้าไม่เชื่อว่าวันหนึ่งอรัตตะลาจะให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้นึกถึงวันแรกที่เราเกิดมาเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดจากความไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เกิดมาแล้วถ้าวันอัคราอรัตตะลาจะให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว วันอัคราชเนี่ยเราจะเกิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเราเกิดมาครั้งแรกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรวันอัคราชเราจะเกิดมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าคิดในมุมมองของมนุษย์ในมักลโลกด้วยกันเนี่ยอันไหนง่ายกว่าชีวิตแรกหรือว่าชีวิตครั้งที่สองอ่ะอันไหนง่ายกว่า ชีวิตง่าชีวิตอันที่สองง่ายกว่าชีวิตแรกอีกแต่ทำไมมนุษย์เชื่อในชีวิตแรกแต่ปฏิเสธชีวิตที่สองซึ่งมันง่ายกว่าชีวิตแรกแปลกไหมครับคือมันเหมือนกับมีอะไรบางๆมากัน้นความรู้สึกของเราเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการอธิบายนะครับเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อย่างนี้เผื่อว่า หลายหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺก็จบด้วยคําถามว่าอะไรซาเลลิกะ بقادرٍ على أن يحيي الموتى นะอะไรซาเลลิกะหมายความว่าพระองค์ผู้ที่สร้างมนุษย์มาอย่างนี้ในตอนแรกเนี่ยจะไม่มีความสามารถเลยหรือที่จะทําให้ชีวิตที่มันเสียชีวิตไปแล้ว ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันอักษรนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าผลจากการอธิบายขั้งต้นมาทั้งหมดจากการเกรฑ์ น, นำ็ดีจากการยกหลักฐานต่างๆมาก็ดีเนี่ยสุดท้าย ผลของมันก็คือคำถามคาถามในอายัสุดท้ายนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงทร ม, มาทั้งหมดเนี่ยที่อธิบายไปก่อนหน้านี้จะไม่มีความสามารถเลยหรือที่จะให้คนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่เชื่อก็ให้ทวนอ่าอีกครับอีกรบอกรบหนึ่งตั้งแต่แรกมาจุดประสงค์ของสุรักษ์นี้ก็คือต้องการให้มนุษย์เชื่อว่าวันอาคาร์มีจริงเราจะต้องเจอกับวันอาคาร์วันกยรติ์อย่างแน่นอน นะครับชาลลอสุาาร่าต่างๆแล้พี่น้องครับมีเกรดนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบสุร้อนนี้สังเกตด้วยให้ดีตอนต้นสุรา่าเราพูดถึงการอะไรนะสุภานลลอพนี้าลอสุร่าเนี่ยสุรา่ามันพูดกําลังพูดถึงการศัทธาต่อวันอัคราตแต่ไม่ไว้จะมีเรื่องราวของดุนยามาเกี่ยวข้องเรื่องราวที่พูดถึงวิทยาศาสตร์ สุราคันี้เนี่ยมีวิทยาศาสตร์อยู่อย่างน้อยสามสามเรื่องด้วยกันผ่านไปแล้วสองวันนี้อีกหนึ่งผ่านไปแล้วสองเรื่องคืออะไรอะที่เราพูดถึงวิทยาศาสตร์บก่อนหนึ่งก็คือเรื่องอะไรเรื่องลายมือเรื่องลายนิ้วมือใช่ไหมครับสุราคนี้พูดถึงเรื่องลายนิ้วมือสองเรื่องอะไรเรื่องการการประทะกันของ ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์การเกิดจันทรุปราคาวาาัคสีกาลกะมรในขณะที่วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อัลกุรอานพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องการการเกิดมนุษย์สุ้าพน้ลหละเี้ยเรากำลังพูดถึงอาครัตชัดๆนะแต่ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานที่นี่จะบอกว่าบางทีนะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะเอามาอธิบายประกอบเรื่องวันเกียรมัดได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์บางคนไม่เชื่อวันเกียร์มัดแต่เชื่อวิทยาศาสตร์เราก็เลยต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเชื่อเนี่ยไปอธิบายวันวันเกียมัดนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเกรดที่จะที่เราจะได้เอาไปเพราะฉะนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์ บางคนอาจจะมองว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมเนี่ยอัลกุรอานพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วจะเราจะไม่เรียนได้ยังไงต้องเรียนนะครับต้องวิจัยต้องเข้าใจแล้วเราจะได้เอาไปอธิบายกับคนที่ไม่ยอมเชื่อวันแกมัดนะครับบางทีการที่เขาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็จะทําให้เขาศรัทธาตะวันแกมัดได้ถึงแม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ถึงขั้นหลักฐานของอัลกุรอานก็ตา่าง เอาบางทีอาจจะไม่จําเป็น ต, ต้องถึงต้องถึงต้องถึงขั้นเอาหลักฐานประกอบถึงขนาดนั้นเพราะบางคนเนี่ยแค่เราอ่านเราอ่านให้ฟังหรือเราพูดไปตรงๆเขาก็อาจจะศรัทธาไปแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ถึงอ า, อาจจะอาจจะยังไม่ยอมรับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พวกนี้มาประกอบในการอธิบายได้ไม่ผิดแต่ประการใดนะครับอย่าบอกว่าเอาเวลาที่เราจะด่วาวกเกี่ยวกับอิสลามห้ามใช้หลักฐานพวกนี้มาไม่ใช่นะครับดูว่าหลักฐานพวกนี้มันขัด กับหลักฐานในอัลกุรอานหรือเปล่าถ้ามันไม่ขัดกับหลักฐานในอัลกุรอานเราก็สามารถที่จะเอามาประกอบในการอธิบายได้นะครับไม่ผิดแต่อย่างใดอันนี้เป็นเกร็ดนะครับเวลาที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการดะวะนะครับวิชาดะวะอีกเรื่องหนึ่งเวลาที่เราเจออ้ายัก์อย่างอายัต์สุดท้ายในศราอัลกิยามะเนี่ยอัลลอขึ้นมาด้วยคำถามอะไรซาเลกะ เป็นคำถามที่เชิญถามว่าแล้วเป็นไปไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคำถามแบบนี้นี่มีอยู่ในหลายสุราษสุราษที่เราเคยเรียนมาก็คือสุราษอัตตีนิวัลัยตูลที่สุดท้ายรัฐอัลละห์ทำไม่ยังไงวัตตีนิวัลัยตูลวัตูร์สีนีวะฮาดะลเบลัดอิลอมีอัลกัดฮัลลัคนะอินซานะฟีอัลซานิตะควิด ทั้งมรดจ์นั้นอัลสล่า ل าฟิร์อิลลัลล عمل ุสัลลิ حة فلا ห ا ج ر غير ม منونفمايكذبكبعدبالدينأ ไล سالله ب ح ك ا م ا ل ح ا ك م ي ن أ ไลซา أ ไลเหมือนกันเลยกับอันนี้อไลซาก็คืออัลลอฮ์ไม่สามารถหรือประมาณนั้นนะครับที่จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ทีนี้มีบางเรียวะยัดในฮะดีษบอกว่าท่านนบีเวลาที่ท่านอ่านอายัดแบบนี้เนี่ยอ่านอายัดคําถามแบบนี้เนี่ยท่านจะตอบท่านจะตอบกลับตอบกลับว่ายังไงเบลาจะตอบคําว่าเบลาอลซาเนี่ยต้องตอบด้วยคําตอบว่าเบลาอันนี้มันอาจจะแปลกนิดนึงนะครับบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรที่เจอคำถามเมืนก็ว่าเรากำลังสนทา น, นากับอัลลอฮ มีในเรายักษที่บอกว่าเวลาที่ท่านนาบีอ่านอายัก ท, ที่พูดถึงนรกท่านก็จะขอดูอาจากอัลลอฮ์ตาอัลาขอความคุ้มครองให้พ้นจากนารกอัลลอฮ์มาอัจร์นีมินันนาอัลลอฮ์มาอัจร์นีมินันนาเวลาที่อ่านอัลกุรอานอย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอกับอายัก ท, ที่พูดถึงนรกการลงโทษในนรกปุ๊บเหมือนกับว่าต้องมีปฏิกิริยากับอายักนั้นเราจะต้องแสดงปฏิกิริยาว่าเรากําลังอ่านอายักนี้อยู่ด้วยการทํำยังไง ขออุอานเจ้าอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากนารกได้เถอะวะลอยซูบิลลามินันนาเอาซุบิลลาให้มินันนาขอแบบไหนก็นได้ภาษาไหนก็นได้นะครับเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วเวลาที่เจอกับอายัดอะไรอายัดที่พูดถึงสวรรค์เราก็ขอท่านนาบีจะขอดุอา ท, าทันทีตรงนั้นเลยอย่าอัลลอฮ์ขอสวรรค์ได้เถอะขอให้ฉันเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮุมะอัลกินนาอัลเจนน่า อัลลอฮ์มันจะอัลลอมินอัสฮะเบลจันนะขอตรงอายัดนั่นเลยคือไม่จําเป็นต้องมาเจาะจงวันเวลาสถานที่ในการขอดุอาแบบนี้ขอตรงที่มันขเขาเรียกว่าตรงกับเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานอายัดนั้นนั้นไปเลยหรือถ้าเจอกับคําถามแบบนี้อัลลอฮไม่สามารถหรือที่จะให้มนุษย์เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่เสียชีวิตไปแน่นอนอัลลอฮมีความสามารถแน่นอนท่านนาบีจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพูดคําว่า บลาแน่นอนอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงมีความสามารถแน่นอนเหมือนกับว่าให้มีปฏิกิริยากับอัลกุรอานอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการคนที่อ่านอัลกุรอานแบบนกแก้วนกขุนทองแบบนี้นี่แสดงว่าเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราจะต้องรู้ความหมายไหมถ้าไม่รู้ความหมายเราจะขอดุอารได้ยังไงว่าตรงนี้อัลลอฮฺพูดถึงอะไรอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการจากการอ่านอัลกุรอาน โอเคการอ่านอัลกุรอานมันจําเป็นสําหรับเราจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายยังไงยังไงเราก็ต้องอ่านอัลกุรอานไม่ใช่พออาจารย์บอกว่าอพอผมบอกว่าอัลกุรอานต้องรู้ความหมายอาจารย์ผมไม่รู้ความหมายงั้นไม่อ่านดีกว่าก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็อันนี้ ก, อนนก็อันนี้ก็เกินไปนะไม่ใช่โอเคแรกๆผ่อนผันไว้ก่อนแต่สําหรับคนที่เป็นอัฮลูมัจลิสอิลมีเนี่ยไม่ได้ ล, ล, ละอัฮลูฮัลกาะ อัลลุมัสยิจเลืว่าอุลอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตละอ่านี่เผลอ ต, ตัวมาเรียนแล้วเนี่ยไม่อนุญาตแล้วหลังจากนี้แล้วพวกเราไม่รู้ความหมายนี่ไม่อนุญาตแล้วนะเรานี้ระดับหนึ่งแล้วนะเรานีไม่ใช่ระดับธรรมดาแล้วนะกี่ปีแล้วสีป่ปีอ่าไม่ใช่คนธรรมดาและสี่ปีนี่ถ้าคนเรียนปริญญาตรีก็คือได้ปริญญาและ้ะต้องบอกโต๊ะอิหม่ามบอกออกปริญญาแล้ละ อาเป็นยาเป็นยานี่จะหมดสองยุสแล้วนะหมดสองยุสแล้วเราเข้าใจกันแล้วว่าเวลาอ่านอัลกุรอานจะต้องรู้ความหมายด้วยเพื่อที่จะได้มีปฏิกิริยากับอัลกุรอานเนี่ยมันจะได้ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเราจริงจนะอินชาอัลลอฮ์ซุลฮานวตาลาจบอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลฮัมมุิลลาฮฺลลดีบินะมัตีฮีตะติมุสอลิฮตนะครับสหรับการอธิบายสุรัตุลกิยามะอินชาอัลล์เดี๋ยวเรา นะครับอาทิตย์หน้าหรือรอบหน้าจะได้เริ่มรลเอนซเป็นอีกสุรชันที่มีเนื้อหาหนักแน่นมากและพูดถึงเราโดยตรงนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจในสรชนนี้อัลลอฮฺสุลฮาระตะนะอัลลอฮฺ تعالى علم ف ق ا ل ل ه ك م ي ص ل ا ل محمد ص ح ح ر العزة أ يسيكون سلام على ا ل م س ل ا ل ح م د لله رب العالمين السلام عليكم رحمة الله وبركات